กบนาอยากกินมะขันสกปกนี้อากน้ากบ่ได้กินขันแตกบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยถึงขันสาไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าเฉยๆว่าแล้วเรองนี้ขันห้าโบตรง้วมาจีปฏิบัติธรรมอามิจิก้าวหน้าได้ยังไงมันต้องตรงนี้คนมันต้องเข้มแข็งจังหวาเอากันเข้มแข็งทีนี้มู่เขาอยู่เนี่ย ถ้าหากว่าฝังและปฏิบัติอย่างตีผมว่าหลักพุทธศาสนานี่มาทำกลมสว่างให้แกโลกโลกยี่บ่นเรื่องหล่นโบสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุกดรงบนหั่นทุกดงเนี่ยทุกดงหดงมายถึงอันใดได้หนุงผ้าขาวบอกได้หนุงผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วระบุหัจักรละขมส่ว น, น มันจิตไม่แต่ทุดวงทูดลงไปว่าขัดเกลว์ค่ณวารันขัดเกลว์วมซัวค่วมซัวมีอยู่ที่ใดในจิตในใจเขานี่เอาออกบนเร่อเอาออกดอกมันเห็นมันโบยเฮ็ดคุณว่าเอิญกิเลดอันนั้นอนนัมันโบดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิดีมาไว้กับเนื้อกับตัวการพูดการจาการทําการคิดเขาก็จะอ่อนน้อมทอมตนลงมาโอเ เอาถอยตัวลงไ บ, บนแม่นปฏิบัติเอัสนะคนอื่นนี่ปฏิบัติธรรมะนี่เพิรนวาเนี่ยอัสนะคนอื่นนั้นลอยครั้งพนงันครั้งมื่นครั้งแสนครั้งว่ามีประโยชน์เฉพาะอัสนะตนทีเดียวจรงการพูดร้อยคำพนำันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทํำข่มรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิรนวาจางังใจแล้วเฮาเจีย๊ยหัจังไดใครซีมาให้เฮารู้ รู้ตัวเฮาอะที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตัวเฮามันเป็นยังไงเมื่อแยกสมถะกรรมาฐานเมื่อมีสิ่งขันสมณียขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้วก็กเลยรู้วิพัฒนาล้วนล้วนแบบเดีวบนี้วิปวัฒนาล้วนลวนนั้นมีญาณปัญญาเป็นสูตรหนึงครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสิ่งขันห้ามีศิลง นี่ว่ารูปขันมีศินเวทนาขันมีสินสัญญาขันมีสินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินที่ว่าเจ้นใดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมูิเป็นเป็นสูตรอันหนึง่งเอามาขยายตัวเอามานี่ซื้อนี่เลยครับมันเว่องหลายเลยตัวจริงมันน้อยๆครับก็เลยรูอ่ะทำบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมไหญ่กัอสิ ถ้หาหันนรกมีหรือว่าคำพูดนี่พูดผิดคิดผิดบนันนี่นี่พัะสู้พระวิไนครับพูดผิดออกมาแล้วบัเนี่ยตายไปแล้วไปจบนรกขุมแต้ขานรกมีนานจากปีจากเดือนเนี่ยเข้าใจง่างๆบันนี้ยเรื่องมูนี้มันสร้างมาจากใจบันเนี้ยใจคิดผิด คิดทุกจริตคิดผูตรงกับคํำพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปตกนรกจับตีจักเดินท่านมันมีจริงถ้ามันมรูน้จริงไปไสมันรู้จักแตมันเห็นครับนี่วิปัสสนาจึงว่ารูแจ้งรูจริงวังงวนนี้ทําบาปด้วยกายกระทาวาจากระทาใจกระทาพร้อมกันเลยบนอยู่ถ้าหากนารกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกกลุ้มใด นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอาจารย์เพราะว่าผมโมโเด็กครับอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รูกถ้าหากเราบูรุอย่างซีเราเต็มทีเป็นภาคสี่ริ้วทีเดียวเป็นภาคเซกเทาบวชหมา น, นี่เขาจะประโยชน์ของของน้อยที่สุดอานนี้สรงการบวชใเพันว่าต้องศึกษา ถ้าหากศึกษาหลักสูตรนักธรรมท่านปีท่านโพธิ์มันก็บว่าเป็นอา น, นิสงส์งการขับปัรษาสําหรับทับนี่ควรปีเนี่ยต้องรู้ธรรมะอา น, นิสงจึงเป็นอา น, นิสงส์งการขับปัญหาถ้าหากโบลูอันนี้ก็แสดงว่าอา น, นิสงส์งการขัขบปัรษาเขางบ่มีแล้วมันเป็นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามมันทําบุญด้วยกายปากบเบ า, เบาถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรรค์ นานจากมือจากวันจากปีจากเดือนเข้าใจยังสคบับบ น, นี้ปากดีวาดีวาเตะข่มสัตว์ขมจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปสื่อสวรรค์สันฟ้านี่ผ่านมันจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบมีจริงไปใส่เนี่ยมันหูจักยังสิแบบ น, นี้ใจก็ดี คิดดีคิ ด, ดแต่ดีอะไรได้ไหมทำแดีตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สัญญาณนานจากพีจากเดือนหูจักอย่างสีเห็นอย่างสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงนี่งว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงยี่ว่ารู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทธะเนี่ยเข้าใจไหมบัด น, น, นี้กายกระทาดี พูดกับพูดดีใจก็บคดิดใจดีสามอันนี้พร้อมกันเลยไปถ้าหากสวรรค์ น, นิพพานมีเป็นอย่างไดไปเกือ้อ Yu ใส่เขาจะไปเซอร์ไว้อยู่จากปีจากเดือนมันหูจกหักตังตีครับพอดีหูจักอันนี้คล้ายๆคือฟิวไฟฟ้านี่ครับคันนั้ม่มันมันสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับคันนั้นมันดับกับเหมือนกับเขาไปปิดให้มันสว่างอันนึงบีบปั๊บหนึ่ง ขาดมัดเป็นตัตพี่ครับให้ว่ามีดบาทเขาแต่ก่อนมันออกปากบาทครับวันนี้เลื่อนมักลับคืนครับมัดทุกหยดทีเดียวบกออกปากบาทหดตัวครับมัดมันเป็นอย่างไรครับนี่เป็นอยู่หประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจงกรมเพราะว่าผมพ้นดินเลือจากเม็ดนึงหรือสองเม็ดพุ่นครับสาธุคนเนี่ยคําสอนน้อยน้อยเหมื ผมปันนีนนเพียงแต่ทำข่มรู้สึกตัวนี่อา น, นิสงส์มันมากปันนือนอกเนื้อจากนี้ไปบนมีแล้วก็เลยรูจ้จักกันจืดมัดเนื้อมันตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครับติด เ, เข้าพ่อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นอย่งสิบยกเว้นโบนได้จวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนไม่รู้จักอา น, นิยต์ไปทางผิดได้ครับ น, นี้ อันนี้ผมว่าเมื่อกับนักมวยครับนักมวยเนี่ยขาเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงข้าเจ้าศาสนา ม, มวยมนุษย์ง่ายก็ได้สบายคนบม่รู้จักวิธีโดดแล้เอาหัวลงก้อนคอหักตายซ้ำนี่นั่นเป็นสัจนก็เลยรู้จักโอ้นี่คำสอนของบ้าเจ้าทั้งหมดเลยแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สุดสําเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างสั้นผมจึงดูเสื้อผ้ายั้งมดัดเสื้อวก็ของจริงมันมีในคนทุกค น, นกในบเวนบ่ใดเรื่องนี้ผู้ยิงก็ต้องไปนี้ผู้ตายก็ต้องไปนี้พระเนงก็ต้องไปนี้คือศาสนาใดและที่ใดก็ต้องไปนี้เพราะทุกคนมันต้องตายเงื่อนหนักนี้ทุกคนต้องตาย ความตายมีจริงไหมนี่ไม่มีเราบุเห็นเราบรู้เราเห็นแค่คนตายเอาเข้าหลงนั่นแล้วอันตัวตายจริงๆนะเขาบุญเห็นมีคนว่าตายเสียก้อนตายยางไม่มีลมหายใจคนนเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีคนวันเพิ่นตัดไว้หนังสืออันธรรมวิจารเป็นหลักสูตรนักธรรมสัจเอกรับ ผู้ที่จเจริญสติประธานสติอย่างถูกต้องวันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่วันยังนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยวันหนึ่งเป็นพระอราหารันต์วันถ้าหากวิจากการเป็นพระอราหารันต์จะต้องเป็นพระอนาคามีอยู่วันแเนบุมหาวัสมุน แน่นอนที่สุดวาา่ันนี้คุนว่าแล้วเขาให้มาเนี่จากกี่ปีกี่เดือนเป็นแบบให้ฐานรักษาศีลมานี่จากกี่ปีกี่เดือ น, ม, น, ม, น, กกน ม, มันมีญาณมาบอกเขาคีออันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รูญวันนี้เขาจิตวิญญาณเรียนนัดอันนี้ครับสําคัญให้รู้สึบตัวนี่แหละปีนี้มันต้องเอากันอย่างตีเดียครับผมคิดวางโครงการไว้แล้ว ปีนี่มันต้องทำตัดขาดทับมีขวดผู้ใดหักพอใจอยู่จิบฝึกเนื้อฝึกตัวกับนินมนต์เตรียมเนื้อเตรียมตัวผมจิตพยายามเข้ากุดทุกองค์ทีเดียวซึ่งของพยายามเก็บให้มันมน้อยที่สุดเพราะจิบปฏิบัติธรรมะฟื้นฟูจิตใจจริงๆถ้าหากผู้ใดบ่พอใจอยู่เออบังคับนิบเกินไปกับนินมนต์ไปได้ครับบ่ห้ามบนเมีนผมจิตสักส่วนมียั่งรับ ผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนิ่นเนิ่นมันมั่นยพอเนือบอกมาเต้นเนิ่นเนนปีนี้มันต้องเอาจริงเอาจรงปีที่แล้วเนี่ยผมบดสบายแล้วปีนี้ก็บดสบายแต่ว่าคราบผมจิพยายามทำเพราะว่าเวลามันรัดขุมเวลามันน้อยมันหมดไปถ้าหากเขาบอตั้งใจสอนกันแล้วสูดสูดอะไรไม่หยุดสูดหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูดสูดนี่ผมว่ามาเนี่ยเว้าตาม ที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาจึงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก่าว่าได้เป็นคําสอนของผู้ลู่ก่าว่าได้รู้อย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้อย่างผู้รู้อันหนึ่งรู้อย่างไม่รู้น่ะเขารู้จิตใจมันบูรู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู่รู้แล้วจิตใจมันแน่นแฟนลงไปลบเดียว ถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้าหลับรองมนุษย์มีควารู้อย่างกูรู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นเราท่า น, นเดีเขานั่งอยู่นี่จีมีนั่งนี่สบายอยู่ซื้อนี้แต่บางคนนักสบายซื้อบุู้จกักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่งร่างกายเจ้าของนี่รูกอันเนี้ยเคลื่อนไหวโดยวิธีการบนรู้อันันั้นนนก็รู้ยังไม่รู้นนสบายซื้อ อันรูอย่างพูรูเนี่ยนั่งอยู่นี่เขารู้มันเคลื่อนไหวรูรถนี่เพื่นว่ารูอย่างพูรูจิตใจมันคิดรู้นี่รูอย่างพูรูรูเท่ารูทันรู้จักกันรู้จักแก้เพื่นว่ารูจะเอาชนะตัวได้เพื่นว่าขันรูเอาชนะตัวบัวได้ก็โอ้ยก็รูอย่างผููไม่รู้จึงแล้วบพื่อนเนี่ยคมรูจะมีสองรูรูย่างไม่รู้อันหนึ่งรูอย่างผููรูอันหนึ่ง จำให้มันดีถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอย่างตีทุกองค์แล้วจํานวนสิบผูรูปอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกก็หลายคนถ้าหากเขาฟื้นตัวสีใดแล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้วออกมาช่วยกันทำงานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเปริมิลคุณภาพมีน้อยจรยงว่าช่วยกันถ้าหากพวเดยู่ยนี้ถ้าบูยูนี้ก็บปูปนยั้งครับ อยู่นี่ต้องสวว จ, จริงๆปี น, นี่ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากจำเป็นนะครับมือหนึ่งสองเธอตอนเศร้ากับตอนเย็นผมเคยทำมาแล้วตเมื่อเป็นโยมมู่โยมเยู่อยนี้เนี่ยเคยทำกับผมคนรุ่นก้อนพุ่นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมสอนหมู่เจ้าหกวพอ เ, เท่าเลืองมู่ไม่เท่าเลืองหลายคนเลย อย่างโบาตายอยู่นี่นยอย่างกับอางพรเรื่องกับพระนอมกับไม่เกินสีเห็นตายไปหมดแล้วเปไหนทำอันนี้เด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับอายุในเกณฑเก้าปีถึง1ิบสามปีนี่แต่เด็กน้อยเขาโบามีอารมณ์มากรู้ง่ายบบเกินเดือนหนึ่งมหาบทตรทอจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่นูกคุณมันมีอารมณ์มันเฮียน มันเห็มันไปติดอารมณ์มันไปติดควมหูอันสู้เห็นมาพุนมันเป็นอย่งไัครมูมหาโมทองนี่แหละเป็นเป็นรุนแรกละมูเนียมาช่วยกันฟื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยมีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเขามาเฮ็ดไซ์อันจังหวะนี่เพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมรู้บ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัว อันทิศจังหวะทิกมือขึ้นข้อมือลงเนี่ยอันสูตรที่ผมว่าเนี่ยอันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมาเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งจื่อวิปัสนาจิตว่ารูแจ้งรูจริงรูแล้วต่างเก่าล่งวงภาวะดตั้งเก้าแทะบวกเคยรูได้แต่ก่อนจิตใจก็อ่อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้น่ะอยากให้คนฮู้แล้วไปพ่อยไปดาไปเตะไปตีขาเจ้ากระโบงนี้อีกตืมลานึ่งไร มันพิษอ น, น, นมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอนนัน่มันบประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิจฉ า, าทิฏฐิยังทิฏฐิยังแปลควมเห็นเห็นผิษปฏิบัติมันก็พิษเห็นทุกปฏิบัติมันก็ทุกเพื่ออย่างว่าไวพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเยคือกันกพระพุทธเจ้า สัต์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่เหมือนกันกับพระเจ้าสัต์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่เป็นสาวกพุทธะโบม่นเป็นพระพุทธเจ้าคนบอกต่างๆแล้วหาบรเวณต่างๆสัตย์ทั้งหลายเป็นตัตนสวสุดท้าเทยาเปน่ า, เ, นานเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่คตนิยนี่คำนี้เป็นคำสําคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้าแล้วหรื้อหยั่งคันบ้รู้โบ้เห็นบ้เป็นบ้มีคือพระพุทธเจ้ากับเป็นภาคขีลิวเท่านั้นแล้วเป็นการลอกลวงสนับบ่ลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองนี่เป็นผมโคจรเรายกมือไหว้ตัวเองตั้งแต่มื้อนั้นมายังไง ไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในเท่ไหว้ผู้อื่นนั่นก็ให้เต้ลูกกาไทยน้อยใจใจเขาเห็นใจเขาไหว้ตัวเขาพีเรสคือว่าทําทดีพูดดีคิดดีจะเห็นพรกันเยอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบนยกเวินครับอที่มาเตือนมื้อนี้ก็ให้ว่ามื้อนี้เป็นมือ้อข้าพัรศาครับเป็นวันศุกร์ในมนุษนที่ยี่สิบเก้า เมื่อนี้เป็นเมื่อเข้าพรรษาเวลาเย็นทำวัดเย็นแล้วก็ข้าพนิสากันผมกะจิเข้าพริส า, า, าตอนเที่ยงพอเวลตินาโตมูเพราะผมยิมหลวงคงเทพไปซีดยาครับพอคอนี่ก็ไขขึ้นมาหนี่บวมตวนตุนี่ต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าซีดยาแล้วผมจะรีบมาหาหมู มาพยายามควบคุมกันจริงๆทุกองค์ได้บุญพระเก่าบุญพระใหม่อยู่นี่ครับผมก็เป็นพระใหม่มุขเพื่อก็เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเกาะทับนี่ขวดนี่รองบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะให้มันั่นคงลองบึงอขัน้าห่างเขาโบเฮ็ดแล้วก็บรมั่นคงแล้วเป็นกันเวง ม, มั่นคงควงผ่าร้อนหวงแข็งแต่ง อยู่ที่เขาทําเองอย่าเป็นโลเลการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการขบการสัน่นเปลี่ยนนิสัยดีต้องเปลี่ยนการไปบินทาบาท้าตคือกันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังใดเปลี่ยนเอาคุณดีคมงามไปให้ญาติโยมเห็นอย่าเอาคมซั่วไปฆ่าเจ้าเห็นเลิกการซื้อหนังสืบหิมาอ่านตั้งแต่มือใ น, นเป็นต้นไปถ้าหากพชดอนอ่านนางสืบหิมีมลไปโรด บทตัวอยู่นี่เพราะหนังสือพิมพ์มาเป็นหนังสือเรื่องโลกเยเอาแต่ทำมาล้วนๆเข้าไปฏิเดียวปีนี้พระเนรทุกองคครับบอกว่ายังนี้ได้ยินยบุคคลขันได้ยินก็เลิกถ้าหากไฟจีโดนเราจะเอานงินมูไปโลดครับมันที่มาทำลายอยู่นี้เสื้อโลกอันนั้นมันบูดี <c oughs> คนบูดียื่ใส่กระเดือดหลอนเป็นัง่ะที่ผมว่านี่โมเมนต์วอลนาน่า บนไม่วายกยงยองดีทุกคนความเพนี้เขาเลิกได้เหตุได้เป็นอะัรเอาแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องมือตตจิตสติใจมาตอนเตาวันนี้ก่อเห็ุว่าสมบวเรเกลเวลาเลยท้ายที่สุดนี้ผมและพวกพระสงฆ์ทุกคนขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสมาสัพุทธเจ้า และคุณของพารันตาสาวกพระธรรมะจะมาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจปกติจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกลน้นี้จงทุกทุกคนเธอ สวัสดีท่านผู้จะเดินทั้งหลายวันนี้การคารวะก็คือการเคารพการเคารพก็คือการทําตามเราจะเราจะเคารพพระครูกับพระครูเคารพครูบาอาจารย์อย่างไรด้วยวิธีการเคารพนอก ต่อทำคำสั่งสอนในพุทธศาสนาที่ท่านได้สั่งสอนเราแล้วก็น้อมในคำสอนหรือในอินยาบทต่างๆที่ท่านทำม้เป็นตัวอย่างแก่เราแล้วไม่ควรที่จะเอาตัวเอาตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเหมือนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่สบาย แค่ต้องปฏิบัติหลวงวินัยไปบ้างเพราะอพาะอาบอาภาษอย่างกินอาหารในตอนบ่ายเนต้นอย่างนี้อันนี้มันมีความจำเป็นแกชีวิตเราไม่ควรที่จะเอาตัวอย่างในเมื่อเรายังสบายอยู่การปฏิบัติ ในทีน่นี้อยากจะให้รู้จักว่าอะไรคือตัวเหตุสำคัญที่จะทำให้เราต้องปฏิท ต, ตามไปในทางที่ไม่เคยดีพระพุทธเจ้ากัดาฏิตไว้บทหนึ่งนะนะเอาใจใส่ว่าสังขาราสัสตานติขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วที่ว่าจะเทีย่ยงนั้นไม่มี จร่งๆว่าสังขารแล้วที่ว่าจะดีนั้นไม่มีสังขารแปลว่าไม่ดีทิ้งไม่ดีเกิดขึ้นเป็นสังขารแม่แม่แต่พูดแคุยออกจากปากก็เป็นสังขารคิดในใจก็เป็นสังขารไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าทำโดยมือทั้งนอกเท่านั้นอันนี้เราก็พอมองเห็นกันแล้วว่าคําว่าสังขารนั้นมันไม่ดี ทำไมจะว่าไม่ดีอันนี้ังมันก็ไม่ดีทุกครั้งมันก็ไม่ดีอนาตามันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นสังขารนไม่ใช่วิสังขารการที่เราจะทำอะไรให้พ้นจากหน่วยนี้เราก็ต้องกำหนดพิจรารณาจิตใจของเราอยู่เสมอว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรจิตใจเดี๋ยวนี้มีสังขานควาเข้าไหน สังขาร อ, อนิจยังเราเป็นสังขารในทางนั้นในทางศีลปฏิบัติศีลไม่ดีนี่ก็เรียกว่า อ, อันนิจยังในทางศีลในทางสังขารในทางอนิจยังสังขารในทางทุกขงังเป็นสมาธิต้องกำจัดเป็นสมาธิสมาธิก็คือมี อะไรก่บอะไรที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นสมาธินี่มีความสำคัญมากคนมีสมาธิดีไม่มีทุกทำงานได้ดีไปแม้แต่กิจกรงเจ็บท่ายไม่สบายก็ยังทำได้เพราะไม่มีทุกมีสมาธมิมีสังขานก็สมาธิ